การประพฤติ ธ, ธรรมะปฏิบัติธรรมะเหมือนกันแหละทำจริงๆมันก็ได้ผลได้ผลจริงนั่นคืว่าทำจริงทำจริงๆกไ็ได้รับผลจริงทำแล้วถ้าทำแล้วก็ไม่มีผล นั่นเป็นคนพาลของหลวงปู่บุญจันทร์ท่านเทศอย่าไปเชื่อคนพาลอย่าไปเชื่อคนพาลอย่าไปเชื่อกิจพาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจของเราเองมันเป็นพาลมันหลอกโอ้ยทำบุญทำทานไม่มีผลอะไรดอกนั่งภาวานาภาวานาแต่ก็ไม่ได้อะไรสุดท้ายไม่ได้อะไรมันก็ บอกให้เราไปทำตามเรื่องมันน่าตามเรื่องมารตามเรื่องพานของจิตจานั้ว่าอย่าไปเชื่อคนพานคนพานมันจะสอนไม่ให้ทำความดีหรอกสอนมาให้ทำบุญให้ทานมันก็ไม่ให้ทำนั่งสมาธิภาวนา บริกรรมพุทโธพุทโธมันก็ไม่ให้ทำโอ้ยนึกแล้วก็ไม่ได้อะไรหลันึกพุทโธนึกหาเงินหาทองหาอะไรมันจึงมีผลได้มันก็สอนไปเรื่อยอย่างนั้นเรียกว่าจิตพานพระลาหเวนปะสังสันติทานัง คนรานเท่านั้นไม่สนอเสริญทานไม่เสนอเสิญการให้ทานมันมีแต่มีคนหนึ่งอยู่ทางเมืองสกลนครเนไม่เสนอเสริญทานเลยการให้ทานองค์หลวงตาองค์หลวงตามหาบัวท่านพาให้บริจาคเงินทองคำช่วยชาติ ช่วยชาติช่วยโรงร่ำโรงเรียนช่วยโรงพยาบาลช่วยคนทุกคนจนน่ะคนที่มีปัญญาก็ปฏิบัติตามมีอุตสาหะวิริยะสิ่งใดที่ตนมีเพราะจะทำได้นั้นทองเข้าของวัตถุ เขวก็ทาแต่คนคนนี้ไม่ทําแล้วก็ไม่ยินดีเห็นคนอื่นเขาทําก็ไปว่าไ ป, ปรามาตมันไม่ดีมันไม่ได้ประโยชน์อะไรไม่เห็นนีประโยชน์อะไรก็คือตนเองไม่ทําแล้วยังไม่แล้วยังไปชักชวนคนอื่นไม่ให้ทําอีก ท่านกว่ากิเลสหรือว่าพาลเป็นอย่างนั้นแล้วก็ไปดูถูกดูมินเยียดยามที่ผู้ที่เขาทำความดีทำทาน <c oughs> ดูถูกดูมินเยียดยามผู้ที่ท่านสอน <c oughs> อย่างองคหลวงตามหาบัวท่าน สอนท่านพาธรรมก็ไปดูหมิน่นดูเหยียดยามท่านปลามาดองท่านอีกว่าเป็นหัวหน้าพาทําความสิ้หายว่าไปอีกเรียะไม่ใช่ว่าพาสร้างความเจรเิญ <c> เ <oughs> นี่ยนี่แก็ก็เท่ากันกับไปไปปลามาดไปเหยียดยามพระพุทธเจ้าอ่ะพระพระพุทธเจ้าเป็นหัวหน้าเป็นศาสดาเอก เป็นครูผู้สอนก่อนใครๆทั้งหมดสอนเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาเรื่องการทำความดีด้วยทานศีลภาวนาก็ผู้ที่เจ้าเป็นผู้สอนสาวสงสาวกผู้พึ่ิปฏิบัติตามท่านค่อยสอนต่อมาพระทจ้าจึงได้ชื่อว่า ไปปลามาดไปดูถูกดูหมิน่นไปกล่าวคำลบล้างการทำความดีต่อพระพุทธเจ้าบางทีแกก็เขียนเป็นเนี่ยเป็นหนังสือสนเท่เป็นจดหมายสนเท่ ส่งไปตามวัดนั่นวัดนั่นวัดนี่แกยังไม่ตายหรอกทุกวันนี้ยังไม่ตายเพราะเมื่อเร็วๆนี้ตอนไฟไหม้กุฏิลงพอสุดใจเนี่ยยังเห็นมาอีกคือหนังสือแบบเนี่ยหนังสือฉบับนี่แล้วก็สำนวนคนเก่านั่นแหะโอ้ตานี่ยังไม่ตายเนียงตายังเนึกอยู่ <laughs> ยังไม่ตายได้แต่ก่อนจะส่งมาเรื่อย เ, ลยเวลาองค์หลวงตามหาบัวท่านไปสกลไปกราบที่พิพธภัณฑ์หลวงปู่มั่นญาติโยมชาวเมืองสกลเขาไปทำบุญทำทานแกก็จะส่งมาเรื่อยส่งมาเรื่อยส่งมาชักชวนมาพูดกับเราเพื่อไม่ให้ไม่ให้เห็นด้วย ไม่เห็นไม่เห็นด้วยกับการทำความดีทำทานตอนองค์หลวงพ่อสุดใจมรณภาพยังเห็นมาอีกโอ้ควาว่าพานนี่มันก็คือพานไปเรื่อยมันยังแก้ตัวเองไม่ได้เหมือนเหมือนมารเทวดาที่เป็นมารเทวดาที่มีจิตอยากจิตเป็นมาร นันก็มีอยู่นะแต่ว่ามันได้เป็นเทวดานู่นอยู่ชั้นปรมัดชั้นปรมัดนั่นวัสว ด, ดีมานเหมือนที่เราสวดเป็นมารไม่ใช่ว่าเทวดาต่ำๆเนี่ยก็เหมือนกันกับคนเรานี่แหล ะ, ะไม่ใช่ว่าคนสามัญธรรมดาต่ำ บ้านนอกบ้านหน้าอยู่ตามเรื่องตามราวนี่ยเขาเขายังไม่เป็นมาร์ด้วยผู้ที่เป็นมารก็คือผู้ที่มีการศึกษามีความรู้อะไรสูงสูงนั่นแหละมีความคิดผิดคิดไม่ถูกคิดไม่ชอบก็เป็นมารมารคือผู้เห็นผิดชักชวนในทางผิดนั่นะ เรียกว่ามารมันก็เหมือนกันรวมแล้วมันเข้ามาอยู่ในจิตใจของเราเป็นมารความคิดผิดความเห็นผิดนั่นแหละเป็นมารเ <c oughs> พราะฉะนั้นแก้ความเป็นมารตามคําสอนของพุทธเจ้าไม่อยากทําก็ทำเลยทำบุญทําทานเสียสละมันไม่อยากนึกถึงความดีมันไปนึกถึงแต่ สิ่งไม่ดีเหมือนอีตาแกอีกหลวงตาว่าเรื่องความดีเรื่องดีดีมันไม่นึกมนไม่นึกมันไม่เอามาวิพากวิจารไม่เอามาประกาศมันก็ไปเก็บเอาแต่จุดไหนที่ว่าไม่ดีที่ไม่ชอบใจนั่นแหละนี่เป็นอย่างนั้นท่านเรียกว่ากิดคิดไม่ดีเรียกว่ากิด คิดชั่วกิจ ค, คิดเป็นมารถ้าคิดในทางที่ดีทางที่เป็นเหตุให้ เ, เกิดสุขเกิดความสงบเรียบร้อยเกิดความสุขมันเรียกว่าความคิดเป็นความคิดของนักปราชญ์เป็นความคิดของเป็นความนึกความคิดของพระพุทธเจ้าคือผู้รู้ดีรู้ชอบรู้เหตุรู้ผล ก็ต้องฝ่าฝืนนั่นาทำตามปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าปฏิบัติตามนักปราชบัณฑิตเดีย ะ, ะไปเชื่อมันได้เวลาแล้วเอาเพราะวานาพราะวานาเลยแม่ตาแพ้ไปเลย แฮ่อยู่บ่อยๆ ย, ยิ่งดีแผ่เมตตานะเป็นการสร้างสรรค์ให้จิตเป็นเมตตาธรรมอ๋อไทยบรลบือจีฝนตกบอลบอลบือท้อกวัดขึ้น น, น, นั่นแหละก็ดีตัวฝนตกเศ้าให้ความชุ่มชื้น ภาวนาประยุทแพ้เมตตาประยุทธก็ให้ความชุ่มชื่นทั้งจิตใจ